พระธรรมเทศนาแผ่นที่109่ําลำดับที่11โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่12สิงหาคม2560มีชื่อเรื่องว่าจารึกชื่อทำฐานไว้ที่ฐานเจดีเ อ, อ่อมีอะไรหลวงพ่อจะพูดอะไรนิดหน่อยนะแต่ว่าโคศก ท่านปลัดจังหวัดอดีตปลัดจังหวัดท่านก็พูดมากแล้วนะแต่หลวงพ่อจะเสริมนิดหน่อยถ้าหากว่าไม่มีเสริมเลยเอ๊ะมีแต่โยมเขาพูดเนี่ยพระเมณเห็นพูดว่ายังไงเ่เพราะนั้นหลวงพ่อจะกล่าวย้ำสักหน่อยเพื่อให้คณะกรรมก า, า ญ, ญาติโยมมั่นใจเพราะว่าปีนี้ปี2560้25 60, กสิฐินสามัคคีไม่มีใครจองที่วัดป๋าวัดตาคณะกรรมการ ที่ดำเนินการการสร้างพระเจดีย์ก็เลยเข้ามากราบพระอาจารย์สุดใจที่เป็นผู้ใหญ่ที่วัดปาบ้านตาเป็นเจ้าอาวาสท่านกบอกว่าไม่ไมีเพราะฉะนั้ น, นคณะกรรมาการจะได้จองกระถินปีนี้นะจองกระถินปี2560เนห้าร้อวันนั้นขอให้ พวกเราท่านทั้งหลายได้รับรู้รับทราบว่ากระถินปีนี้เป็นกระถินสามัคคีในบรรดาสิทธิ์ทั้งหลายเพื่อจะสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตาเพราะนั้นอย่างที่ทายกได้พูดอย่างที่ท่านประลัดได้พูดน่ละมีการจองกันทั้งหมดมีอยู่แป0 0มื่นสีพันกองกเรียนหรือว่า ตามแนวแถวที่องค์หลวงตาเคยพาทรมาที่สมัยเมื่อพวกเราหาทองคําเข้าคลังหลวงในคราวนั้นครั้งนั้นแต่คราวนั้นหลวงตาบอกว่ากะถินแปดหมี่ันกองกองละแปดพันบาทนะแต่คราวนี้สามพบาทก็ไม่มากสําหรับพวกเราศาสนสถานญาโจมผู้มียิตศรัทธานะเพราะฉะนั้นขอฝากไว้กับพวกเราทุกๆท่านนะวันที่เจดตุลาพวกเราจะมาพบมาเจอกันที่วัดป่าบ้านตาดแห่งนี้ จะมีการทอดผ้าป่าสามาัคคีเพื่อหาทุน เ, เข้าไปสร้างพระเจดีย์แต่สถาญาติโยมบางคนลูกหลานที่อยู่ห่างไกลก็เอะทำไมก็เซ็นสัญญาสร้างแล้วแต่ทำไมจึงจะหาทุนอีกแต่ทํามไม่จริงอย่างไม่ขอนคณะสธาญาติโยมยังขาดอยู่คือเมื่อวันที่17เมิถุนาเราเซ็นสัญญากันที่หน้าพระเจดีย์กับสบุญเมลิศนะ แล้วก็มีคณะกรรมการมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ท่านกขมาอยู่ด้วยในขณะนี้นะแล้วก็มีหลายหายท่านคณะสัตยาญาติโยมบางคนที่มาในวันนี้อาจจะไม่ได้มาในวันนั้นนะหลงพ่อเท้าความให้ฟังแล้วก็ได้เซ็นสัญญากันแต่ท่านออรองผู้ว่าราชการจังหวัดอดีตนะท่านท่านก็บอกว่าจตุปัจจัยที่ ได้มาทั้งหมดที่หยอนตู้ตั้งแต่เมื่อหลวงตาจุตินิรภานไปเมื่อปีหนึ่งผ่านไปเมื่อพวกเราได้วางศิลาเลิกแล้วก็ได้จตุกปัจัยประกาศเก็บว่าจะสร้างพระเจดีย์ก็มีคนหยอดตู้หยอดตู้นะมาถึงวันที่เ7นั้นเขาท่านประกาศว่าได้เงินทั้งหมด50037ล้านหลวงพ่อนั่งฟังอยู่ที่ในที่ทประชุมนะ แต่เมื่อวันที่หนึ่งสิงหานี้รวมกันแล้วได้550กว่าล้านต้นต น, นะอันนี้ก็คือเงินกระถิน เ, เงินที่จะสร้างพระเจดีแต่ที่ท่านพลัด อ, อดีตพลัดท่านนิคมพูดเมื่อกี้นีว่าพระเจดีก็ดีดฟีหารก็ดีที่เราเซ็นสัญญาไปสองอย่างนะ แต่พิพิธภัณฑ์ยังไม่ได้เซ็นสัญญาเซ็นสัญญาเป็น2 อ, อย่างคือเยดีกับพระวิหารแต่จะใช้เงินในการเซ็นสัญญาในวันนั้น490ล้านบาทนะ9 490แต่ว่าดูดูแล้วน ะ, ะพวกเราลบดูลบดูที่ว่า490ล้านแล้วก็มาลบกับ500 500กว่าล้าน มันไม่พอสําหรับพิพิธภัณฑ์แต่ถึงยังไงก็ไม่ได้หนักใจไม่ให้ผู้ใดใครหนักใจนะคิดว่าบารมีของหลวงตาเนี่ยคงจะคุ้มคลองไม่มีปัญหาคิดคดว่าอย่างนั้นนะแต่ถึงยังไงพวกเราก็มีส่วนที่เป็นลูกหลานเพราะฉะนั้นหลวงพ่อได้กะไว้ในใจนะครัว่าเป็นกะนะไม่ใช่ว่าเป็นความคิดสถาปนิก ว, วิศวะหรือผู้รับเหมาหรือท่านผู้ใดนะแต่หลวงพ่อกะกะในใจของหลวงพ่อเนี่ย พิพิธภัณฑ์เนี่ยจะไม่ต่ํากว่ 2, า200นนะัดลูกหลานนะแต่ที่นี้มันยังขาดอยู่เท่าไหร่นั่นแหละเนีเพราะว่าสร้างพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์ไม่มีอะไรเนีแต่ทําไมมีอยู่แล้วทําไมจึงทำอเนีอันนี้กัพิพิธภัณฑ์ของหลวงปู่หลี่เนี่ยท่านก็มีอัธถรรพ์บริหารแต่พิพิธภัณฑ์ที่จะสร้างขึ้นมาใหม่ตามสถาปนิก มหาวิทยาลายัยจิตลปากรที่อญญาจารย์เขาออกแบบเขาบอกว่าจะมีประวัติของหลวงตาตั้งแต่หลวงตาเกิดมาหลวงตาไปศึกษาธรรมะอยู่ที่ไหนหลวงตาไปอยู่ศึกษากับหลวงปู่มัน่นหลวงตาได้สาเร็จมรรคผลหลวงตามาแสดงธรรมเทศนาที่วัดมามบรัดสรุแล้วคือพิพิธภาานนัณฑ์เนธ่าว่าพวกเราเข้าไปแล้วพวกเราจะอ่านหลวงตาจะเทศนาว่าการในแผนป้ายให้กับพวกเราได้ฟังได้ศึกษาจะเป็นธรรมะ อันลึกซึ้งสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายเพราะนั้นพิพิธภัณฑ์นี้จะเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมเทศนาหรือประทำคำสอนขององค์หลวงตาเพราะนั้นขอให้พวกเราเข้าใจได้อีกไม่นานก็คงจัดเดี๋ยวนี้พวกเราจะไปเห็นกับคงจะไปเห็นแต่ที่ตัดเสาเข็มนะั่นคือตัดเสาเข็มแต่เฉพาะพระเจดีย์กับพระวิหาร น, นะ ส่วนพิพิธภัณฑ์จะมีทรงทงสีเหลืองนั่นนะจากนั้นไปเป็นพิพิธภัณฑ์ยังไม่ได้ตัดนะเพราะเรายัางไม่ได้เซ็นสัญญาเพราะนั้นวันนี้พวกเราคณะสาัายาติโยมผู้ใดที่มาถึงที่นี่แล้วอยากจะทำบุญก็ทำบุญได้ถ้าว่าถ้าหากไวา ย, ยังมีโอกาสเดี๋ว น, นะสัตยาติโยมนะทั้ง3ปีนทั้ง30เดือนตั้งแต่วันที่17เจ็ดมิถุนา และอีกนับไปเลยส0สิบเดือนนะจะเพาะใจดีกับพระวิหารนะอย่างพิพิธภัณฑ์อย่างอย่างงจะล้ำไปอีกนะแต่ไม่รู้จะเท่าไหร่เพราะยังไม่ได้เซ็นสัญญาแต่ถึงยังไงก็ตามเรื่องจะลงทุงเราจะโอนเงินเข้ามาในพระเจดีอของหลวงตานี่ก็ได้แล้วก็อย่างที่ท่านประลัดนิคมซึ่งท่านประลัดที่ท่านได้พูดได้กล่าวว่าเนี่ยเลขที่บัญชี ที่จะโอนเข้ามาในกระถิน่นแต่หลวงพ่ออยากให้เน้นเรื่องกรถิ่นก่อนเพราะเราอยากจะรู้ว่าถ้าได้เงินกระถิน่นพวกเรา ม, ามีมีความใส่ใจขนาดไหนที่จะสร้างที่จะร่วมสมทบกรถินเพราะเราจะได้เซ็นสัญญาเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์พระองค์หลวงตาเนี่ยทางว่าเราได้จะตุปัจจัยเพียงพอแล้วก็จะเป็น เ, เป็นที่ สบายออสบายใจของคณะกรรมการผู้ทํางานเพราะนั้นบัญชีไทยพาณิชย์แถวนทหารอย่างที่ท่านผลัดได้ท่านผลัดได้พูดนะเลขที่บัญชีที่ท่านกันได้พูดได้แล้ววันนี้ก็จะแจกบัวสัวตัวนี้ละให้กับคณะทหายญาติโยมลูกหลานทุกคนได้นําไปแล้วก็ให้โอนเงินเข้าบัญชีนี่เลยนะบัญชีนี่ก็จะถึงเเข้ามาสู่พิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตาไม่ฟ้องแยะไปที่ไหนเพราะว่า ตามไม่จริงก็เนี่ยนะเรื่องจิตวปัจาณใจเนี่ยก็อย่างว่าเหมือนกันแต่ถึงอย่างไรก็ขอให้พวกเราฝากไว้กับพวกเราทุกๆท่านและก็พร้อมกันวันนี้บางคนก็บอกว่าเรื่องแผ่นฟองนะเรื่องแผ่นฟองแต่ตามไม่จริงก็เป็นคณะกรรมการขึ้นมาแต่ไม่ใช่คณะสงฆ์นะไม่ใช่หลวงพ่อจุดใจไม่ใช่หลวงพ่อนะเป็นผู้เป็นผู้คิดขึ้นเป็นคณะกรรมการผู้ทํางานการทํางานทั้งทีพี่น้องประชาชนเข้ามาเกี่ยวข้อง ควรจะมีแผ่นรองเพื่อจะให้จาึกชื่อไว้ในฐานพระเจดีขององค์หลวงตาหลวงพ่อเออเอาเห็นด้วยเพราะว่าเราจะได้หล่อหลอมให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในบรรดาศิษยานุศิษย์ทั้งหลายตลอดถึงพระสงฆ์พระเถรานุเถระที่เข้ามาร่วมงาน แต่ว่าการเซ็นแปดของข่าวนี้ครั้งนี้ไม่ใช่ว่าเซ็นเฉพาะวันนี้วันเดียวนะเขาจะเซ็นไปเรื่อยๆจนถึงนู่นล่ะจนถึงสเกือบจะสาเดือนเขาจะประกาศอีกครั้งหนึ่งว่าจะบรรจุล้นะแต่พวกเราจะค่อยเข้ามาอีกมาเซ็นอีกก็ยังได้นะแต่ให้เซ็นครั้งเดียวนะแล้วก็ลานทักษิณพระเจดีจ ะ, จะมีมีชั้นที่สูงถึง4ี่เมตรนะ ลานปรททักษิณชั้นที่สองสูงถึงเจ็ดเมตรนะและ้วก็ล่างโถงล่างพระเจดีย์ที่รอบอธิธาตขององค์หลวงตาหรือพระาธาตุของหลวงตาอยู่ที่ระดับสูงเก้าเมตรหกสิบนะนี่แหละคณะกรรมการจะนำแผ่นของที่จะเลือกชื่อสกุลไปบรรจุไว้ที่ใต้ฐานพระเจดีย์ที่ระดับความสูง 8เม88เซนติเมตรอีกประมาณ2ปีจึงจะมีพิธีบรรจุและจัดแล้วแล้วให้ทราบในภายหลังนะคือจะประกาศให้ทราบในภายหลังนะอันนี้ไม่ใช่เร็วๆนะลูกหลานนะกณะกรตานายาจโฉมเพราะนั้นเซ็แนแผนคองนี้ไม่ใช่ว่าเราจะเซ็นวันนี้วันเดียวไม่ใช่แล้วก็มีหลายๆติดต่อกันผู้ใดมาที่หลังก็ค่อยเซน็นแต่ตามไม่จริงก็อยากจะให้ พวกเรามีปู่ย่าตายายก็มาเซ็นฮะเออแต่ว่าจะเซ็นแทนกันได้ไหมเออเซ็นลายเซ็นแทนกันมันผิดกฎหมายนะเออมันผิดกฎหมายถ้าเซ็นลายเซ็นแทนกันเนี่ยไอ้เพราะฉะนั้นตามไม่จริงเลผู้ใดมาก็เซ็นทําไม้เซ็นมาก็ไปรายเออคุณพ่อคุณแม่คุณปู่ย่าเนอะไอหนูได้เซ็นแล้วลูกได้เซ็นแล้วเนอเซ็นเป็นโทรแทนของตระกูลแล้ว ในฐานพระเจดีย์ของหลวงตาอันนี้ก็จะเป็นสิริเป็นมงคลของตระกูลอีกเหมือนกันนะและก็พร้อมกันถ้าหากว่าพวกเราคิดว่าอทำไมจึงเซ็นลายชื่อไว้ในใต้ฐานพระเจดีย์เหมือนกับเรามันจะเป็นเป็น เป็นเปรดเป็นผีหรือว่าเป็นเทวดาภูมะิะรักษาพระเจดีขององตาไม่ใช่นะคานตะทาญาติโยมเราต้องคิดอีกแนวหนึ่งคือองค์หลวงตานี่คือพวกเรายกให้วัดองค์หลวงตาเป็นพระอริยะบุคคลเป็นพระอรหันในจิตในใจของพวกเราพวกเรามีชื่อเขียนไว้แล้วก็ใส่กล่องส่วนพระสงฆ์ก็ใส่กล่องหนึ่งสําหรับครวัต ชั้นผู้ใหญ่มียศถาบรรดาศักดิ์กรองนึงแล้วก็พี่น้องประชาชนอีกกลรองหนึ่งรวมกันแล้วก็สองสามสี่กองเพราะว่าจากนั้นเราก็มามัดบรรจุไว้ฐานบนเนี่ยนะฐานข้างบนเนี่ยที่ว่า 9, 60, เก้เมตรหกนี่ยนะเอามาไว้ฐานฐานข้างบนกรองเอาเป็นตอกเอาไว้นะ เ, เพื่อเป็นฉลิทธเพื่อเป็นมงคลแล้วพวกเราที่มีชื่อแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานสาธุเนอรอ์ผู้ค่าได้ มาร่วมสร้างพระเจดียมีชื่อไว้ในพระเจดียพระองค์หลวงตาบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญในคราวนี้บารมีของหลวงตาหลวงตาได้สําเร็จเป็นพระระยะบคุคคลเป็นพระหรันเป็นผู้สมบูรณ์ทุกอย่างที่พวกเราข้าพเจ้าได้รับรู้รับทราบด้วยบุญกุศลของหลวงตา หลงตาได้หัดได้ทำอย่างไรรู้แจ้งเห็นจริงอย่างไรได้บรรลุมรคนิพพานอย่างไรขอให้ข้าพเจ้าได้บรรลุมรคนิพพานอย่างที่องค์ลงตาได้สาเร็จมรคนิพพานด้วยทุกประการด้านเทิ น, น ใ, ในใจของเราขึ้นตั้งจิตอธิษฐานอย่างนั้นนะ เพราะนั้นการเขียนแผนทองก็ไม่รีบไม่ด่วนไม่เร่งนะครับร่าจะทาญาติโยมลูกหลานขอแจ้งให้พวกเราท่านทั้งหลายได้รับรู้รับทราบเพราะว่าพวกใครใครก็อยากจะมาเซ็นจาลึกแผ่นทองเพื่อบูชาพระคุณองค์หลวงตาแต่ก็พร้อมกันก็อยาลืมนะลูกหลานนะกระถินสามัคคีของเรานี่แหละนี่แหลหัลวใจหนึ่ง ถ้าว่าพวกเราถ้าหาัวเงินไม่พอเราก็สร้างไม่ได้เหมือนกันนะเจดีเป็นพิจภัณฑ์ของหลวงตาเพราะนั้นขอให้พวกเราทุ่มทุ่มเทเทช่วยกันกองละสามพันบาทก็ไม่ไม่คงจะหนักไม่คงจะหนักหนาเท่าไหร่พ่อแม่ก็พ่อกองหนึ่งแม่ก็กองหนึ่งลูกแต่ละคนกองหนึ่งหลานกองหนึ่งรวมรวมกันคนละกองละกองก็เป็นสิริเป็นมงคลเรานึกขึ้นมาเมื่อไร่เราจะภาคภูมิใจอย่างมากเออ พระเจดียด์ของหลวงตานี่ตักงงานขึ้นมานี่พวกเราตระกูลของเรานะได้ร่วมสมทบพระเจดียหลวงตาเนะเราได้ถวายเป็นผ้าพระขิ่นปี2560นั่น นี่แหละพวกเรานึกคิดขึ้นมาเมื่อไหร่พวกเราก็จะภาคภูมิใจพูดไปชั่วลูกชั่วหลานได้นะพระนกรากไว้กับพวกเราคณะพวกเราทุ ก, ท, กท่านนะเมื่อพระสงฆ์สรนพระธาหันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะขออนุวมพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ออกไปข้างนอกแล้วก็เชิญพี่น้องประชาชนออกไปข้างนอกดูดตัวาออาลานพระจดีจากนั้นก็จะมีการเพปูน เสาหลักเสาเอกของพระเจดีย์จากนั้นพระสงฆ์ครูบาอาจารย์กับพร้อมพร้อมกับคณะศิษยานุสิตัทธาญาิโยมทุกบุเคลก็จะได้สวดอิติปิโสพร้อมๆร้อกันอิติปิโสพระกวาอรหังสัมมานะเพื่อเป็นสิริเพื่อเป็นมงคลของเจดีย์ของตรงต่างเอ่อคนนั้นวันนี้ก็พิธีกรรมพิธีการก็คงจะออกไปในลักษณะอย่างนี้นะลูกหลานนะและก็คอยฟังโคศเขาจัด แนะนำอีกทีนึงอันนี้หลวงพ่อพูดแบบคร่าวๆให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังตอต่อเนี้ไปพระสงฆ์จะอัิโมธนาให้พรรับพรในท่เลน้นอ